พระธรรมปาละเนี่ยขอวันธนากราบไหว้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงเป็นพระนาถผู้มีพระาริทยัยเปี่ยมล้นไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณเสด็จถึงฝั่งสาครคือยยธรรมได้แล้วทรงมีนยะเทศนาอันวิจิตรสุขุมคัมภีรภาพจากบท เรียบเรียงนอบน้อมพระัตนะตรัยของพระธรรมปาละเนี่ยนะครับเท่านี้ก็เห็นว่าท่านทราบซึ้งในคุณของพระัตนะตรัยมากโดยคําชืิญชมอันแรกที่ว่าทรงเป็นนาถะนะครับเป็นนาถะหมายว่าเป็นที่พึ่งแห่งโลกสามนะครับเป็นที่พึ่งของโลกจริงๆทั้งกามะโลกรูปะโลกและอรูะประโลกถามว่าพระพุทธเจ้านี่เป็นที่พึ่งของสัตว์ในอารมประโลกได้อย่างไร ถามว่าในอรม ป, ประโลกนั้นมีพระอริยเจ้าไหมมีเมื่อมีพระอริยเจ้าเหล่านั้นก็เคยเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ยังเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ดีเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเป็นที่พึ่งแห่งโลกสามจึงเป็นพระรวันโล ก, ก น, นาฏก็ได้นาฏเนี่ยเป็นที่พึ่งสัตว์ทั้งหลายพึ่งประโยชน์ในโลกหน้าในพระผู้มีพระภาคและโดยเฉพาะสําคัญที่สุดคือพึ่งประโยชน์อย่างยิ่งจากพระผู้มีพระภาค ประโยชน์อย่างยิ่งในที่นี้คือประมัทประโยชน์หรือการตรัสรู้ธรรมะนี่นะการตรัสรู้อริยสัจธรรมนั้นต้องพึ่งพาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าผู้ที่จะตรัสรู้เองได้นั้นมีอยู่สองท่านเท่านั้นคือพระประเจ ก, กับพทธเจ้ากับพระพระพุทธเจ้าคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ศัพท์ว่าพุทธนี้กว้างหน่อยเนยะ ถ้าสาวกพุทธะนี่หมายถึงปัจเจกพุทธะสัมมาสัมพุทธะสาวกพุทธะหรือว่าพหูสูตรสุตตะสุตตะพุทธะนี่ยนะถ้าสัมมาสัมพุทธะก็คือพระพุทธเจ้าปัจเจกพุทธะก็ตรัสรู้ด้วยตัวเองแต่ก็ไม่สามารถสอนใครได้จะเกิดในช่วงที่ไม่มีพระพุทธเจ้าคือไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกส่วนอริยสาวกทั้งหลายเป็นสาวกพุทธะ เราได้ยินเรื่องอริ ย, ยสัจทรงจําเรียนรู้มาแสดงมากล่าวมาพิจารณาอย่างนี้ทวัสสุตตพุทธนี่แหละคุณทวครับจริงๆแล้วพระประเจกับพุทธเจ้าที่ว่ามาอุบัติเนี่ยบางครั้งก็ได้ยินเหมือนกับว่าในระหว่างพระพุทธเจ้านะครับในระหว่างตรงนั้นแหละคือในกลับเดียวกันแต่บางครั้งก็ได้ยินว่าในกลับที่ไม่มีพระพุทธเจ้ายังไงถูกไหมเ<อ>นี่คือในช่วงที่ไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับ อาจจะเป็นกรมมนี้ก็ได้ใช่ไหมครับกัมเดียวกันแต่ช่วงที่ไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าองค์สุดท้ายเนี่ยนะดูในคค า, าวิสารนสูตรนะครับในค้าวิสารนสูตรสุตตานิบาตนะครับกล่าวว่าองค์เกือบสุดท้ายที่สุดคือองค์ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะบรรลุแล้วพระองค์นี้ต้องนิพพานก่อนในระหว่างเนี่ยนะแล้วพระองค์จึงพระพุทธเจ้าจึงจะเกิดในโลกนั่นนะ องสุดท้ายมีนะครับ น, น, น, น่าสนใจมากกันที่กล่าวนี้เพื่อให้เห็นว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยพึ่งประโยชน์โดยเฉพาะประโยชน์โลกหน้าเนี่ยนะสัตว์ที่อาศัยประโยชน์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสู<ๆ>่สุคตินิหาประมาณไม่ได้นะครับแล้วก็สัตว์ที่อาศัยประโยชน์ในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรลุเป็นพระโสดาบันก็นับไม่ได้นพระสกทาข า, ามีพระอนาคามีหรือพระอรหันเนี่ยนะครับเป็นพระเริยเจ้า ที่อาศัยประโยชน์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้มากมายมหาศาลแม้แต่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายที่มาเกิดในสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็พื่งพากาันเพื่งพาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า น, นะครับในการบำเพ็ญบารมี เช่นมีการถวายชีวิตเป็นพุทธบูชาอย่างเงี้ยนะครับมีการถวายชีวิตเป็นผทธบูชามีการมาบวชมาประพฤติปฏิบัติในธรรมวินัยของพระองค์เนี่ยเพื่อบรรลุมรคผลอ่าเพื่อเป็นอุปนิสัยแห่งสัมมาสัมโพธิญาณต่อไปนั้นสรุปแล้วตอนที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นที่พึ่งของโลกจริงๆนะครับแต่ว่าโลกก็ต้องโลกดีๆหน่อยนะเป็นที่พึ่งของคนดีนะครับอย่างั้นแหะ พระองค์นี้เป็นผู้มีพระทัยเปี่ยมล้นไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณมีพระมหากรุณาธิคุณเนี่ยเกื้อกูลต่อสราาารพสัตว์ทั้งหลายในแทบตลอดตลอดเวลาแต่โดยปกติแล้วพระองค์จะเจริญในด้านกรุณาเป็นหลักโดยเป็นการเป็นงานก็คือเรียกว่ามหากรุณาสหมาบัติยนันนี่จะเจริญเช้าๆนะครับเจริญมหากรุณาต่อสัตว์ก่อนเสร็จแล้วค่อยแพร่ขายพยายานที่เรียกว่าพุทธจักสุ หรืออาศยานุสยายานอินเรียปโปรปริยัติยานแพ่ขายพยานไปเนี่ยนะคือเป็นเรื่องของอาสาธาานญานั่นเองในชั้นต้นพระองค์ก็จะเจริญกรุณาที่เป็นไปกับสัตว์ทั้งหลายว่าโลกสันนิว่านเนี่ยลุกโชนแล้วเรา่าร้อนแล้วโลกเนี่ยนะเคลื่อนพลแล้วยกพลแล้วเนี่ยนะครับสัตว์ทั้งหลายเนี่ยโลกอัญชารานําไปไม่ยัง่งยืนพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุแห่งตันหาไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนจําต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปเนี่ยนะครับ โลกเล่านี้เนี่ยนะถูกอวิชชาเนี่ยมันห่มห่อปกปิดนะนะถูกอวิชานุสัยเนี่ยมันสร้างนแต่ด้วยอวิชานุสัยเป็นต้นเลยนะครับหรือว่ารคชาติ ด, ด้วยมิจฉาทิฐิทั้งหลายหรือว่าเป็นไปตามมิจฉาทิฏฐิทั้งอุชเชต ท, ทิฐิหรือสัสนตทิฐิทำชั่วด้วยกายยทุจริญวจีทุจริญมโนทุจริตถูกโอฆาสีเนี่ยมันท่วมทับอยู่ตลอดจิตนี่นะครับถูกกลางกั้นด้วยนิวรณ์ทั้ง5ประการ ตันหากายะเนี่ยในทวาร6ก็เกิดไม่รู้ซ้ําๆำซากๆอนุใสเจ็ก็กำเริบเสิบสามอยู่นั่นนะครับเกิดว่าสั้นไปเพราะอนุใสเจ็ดหมุนไปตามโลกธรรม8ดเนี่ยนะครับแล้วก็สแสวงหาด้วยตันหามูลกะ9เป็นมิจฉาทิฏฐินะเกิดว่าเป็นผู้มีมิจฉาทิฏฐิด้วยมิจฉาทิฏฐิวัตถุสิบนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ ถูกตันหาร0 8เนี่ยร้อยรัดกล่มรุมอยู่เสมอแล้วก็ไปตามที่ฐิเนี่ยนะครับมันสัตว์ทั้งหลายเนี่ยที่ไปในกองทุกเนี่ยมหาศาลที่จมอยู่ในกองทุกพระองค์นี่แผ่ขายไปในสัตว์ทุกหมูเ่เหล่าเมื่อเจริญพระกรุณาในสัตว์มากยางไงแล้วก็แผ่ขยายพยานาสยา น, นุส ย, ยานก็ตรวจดูว่าใครมีอัธยาศัยดีอัธยาศัยชั่วยังไง เมื่อแพะอัธยาศายยังไงไปแล้วพระองค์ก็จะดูว่าใครมีอินทรียยิ่งอินทรีย่อนนะนะพอที่จะบรรลุธรรมได้บ้างนะด้วยอำนาสัพพัญยุตยานี่นะครับก็กระตุ้นให้พิจารณาโดยที่อนาวรณายานไม่มีอะไรมาติดขัดเลยแล้วก็พระองค์ก็ทำพุทธกิจ บำเพ็ญพุธกิจเหล่านี้กิจคือความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บริบูรณ์แต่กิจทั้งหลายเหล่านี้มีพระมหากรุณาเนี่ยนะครับเป็นพื้นฐานยืนพื้นเหมือนกันเถอะแล้วพระมหากรุณาที่คุณเนี่ยมีความช่ำเย็นต่อสัตว์ทั้งหลายพระอัตถคตาจารย์บางท่านชื่นชมพระมหากรุณาที่คุณเนี่ยเยือกเย็นเหมือนกับรัศมีแห่งพระจันทร์นะครับเคยเห็นรัศมีพระจันทร์ทาให้สัตวนะ์ร้อนไม่มีพระมหากรุณาที่คุณ ที่แผ่ความเย็น อ, อกเย็นใจไปหาสัตว์ทั้งหลายก็ฉันนั้นดังนั้นเราเห็นดวงจันทร์เมื่อไร่นะครับรัศมีของจันทร์ที่เย็นเย็นเนื่อนึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระองค์นี่แผ่ความเย็นไปในสัรพะสั์ทั้งหลายอย่างนั้นแหละแต่แตแตสัตว์ทั้งหลายจะเย็นด้วยหรือไม่ก็อยู่ที่พฤติกรรมของสัตว์นะแต่ว่าจิตของพระองค์นี่เย็นต่อสัตว์จริงๆเลยนะไม่ได้เล่าร้อนเลย และพระ อ, องค์นี้เสด็จถึงฝั่งสาครคือยายาธรรมได้แล้วอันนี้ก็คือชื่นชมว่าสัพพัญยุตยานของพระ อ, องค์ว่าพระ อ, องค์นี้รู้ทุกอย่างที่ควรรู้เนี่ยนะครับหมายความว่าธรรมะเท่าไหร่ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันหรือในการไหนๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นสมมุติสัจจะประมัตสัจจะหรือว่านิพพานทั้งหลายและเนี่ยพระ อ, องค์ประสรู้โดยสิ้นเชิงในการสามด้วยนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรติดขัดระหว่างขันประสงค์จะรู้รู้เลย แต่ไม่ใช่ว่าพราะองค์หลับก็รู้ตื่นก็รู้ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับอาวัชนาการเมื่อไหรใครควรวญรู้เลยแต่ไม่ใช่ว่าก่อนหน้านี้พระองค์ไม่เคยรู้มาก่อนเคยรู้มาแล้วแต่ตอนหลังๆเนี่ยประสงค์จะรู้อะไรก็อาวัชนาการก่อนคนถ้ารู้อะไรตลอดเวลาเลยนะมันก็เกินไปละเพราะฉะนั้นส่วนศาสดา น, นอกศาสนาเขาบอกเขารู้ตลอดเลยไม่ว่าจะหลับจะตื่นจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเขารู้หมดรู้ติดต่อกันไปหมด แต่ของพระพุทธเจ้าพระองค์รู้เมื่ออาวัชนะหมายค ว, าว่าคํานึงเมื่อไหร่ก็รู้เมื่อนั้นประสงค์เยนเห็นสถานที่ตรงนี้เนี่ยนะพระองค์ประสงค์จะรู้ว่าอดีตเนี่ยนะเคยมีเหตุการณ์อะไรบ้างแค่แวัดเดียวพระองค์ก็รู้แล้วและที่จริงไอ้พระองค์รู้เร็วเนี่ยขนาดว่าหายใจเฮือดเดียวระลึกได้เก้กับนะครับหายใจชั่วหายใจเฮืดเดียวเนี่ยนะเก้ับเนี่ยววรวางนั้นอะไรเกิดขึ้นบ้างในเรื่องนี้เฉพาะเรื่องนี้นะ เพราะฉะนั้นฮึดเดียวก็อนาคต91กลับก็สบายๆใช้เวลาแปบเดียวนี้ก็อนันตจักรวาลนี้ไม่มีที่สิ้นสุดนั น, นะครับหมายถึว่าจิตที่อบรมถึงที่สุดแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าฝึกหัดนะแต่ว่าวิชานี้ใช้เวลาเรียนสักอย่างต่ำที่สุดก็สีอสงไขยเศษแสนกลับนับตั้งแต่วันได้รับพุทธภัยกรนะครับวิชานี้น ก็ต้งทุ่มเทสละเสียเลือดเสียเนื้อเสียชีวิตเสียวิยวัฒน์เสียทุกเสิ่งทุกอย่างเลยครับกว่าจะจบวิชานี้ขึ้นได้มีมีคนเข า, เ, าเป็นเป็นครูสอนนักเรียนนะครับเขาเขาบอกว่าตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆเนี่ยที่ใช้เวลาอยู่ตั้งเจดอาทิตย์ใช่ไหมครับที่แถวแถวบริเวณต้นสีมาโพเนี่ยเพราะว่าเอไอศาสดาเขาทําอะไรนะเราบอกว่าเขาได้ยินมาบอกว่าอ๋อเขาทบ ท่านทบทวนความรู้ความเข้าใจของท่านตอนนั้นผมผมฟังผมก็ไม่รู้จะอธิบายไงเขาบอกว่ามไม่ใช่หรอกเรียกว่าเสวยวิมุตติสุขพระเจ้าไม่ต้องทบทวนความรู้อะไรหรอกแต่ว่าผมก็ไม่สามารถอธิบายอะไรที่มันมากกว่า น, นี้ได้นะไม่ท <c> ร <oughs> าบอาจารย์จะว่ายังไงครับพระ อ, องค์นี้ทั้งหมดเลยนะครับทั้งเสวยวิมุตติสุขด้วยนะเสวยวิมุตติสุขด้วยส่วนหนึ่งนี่นะครับ แล้วก็พิจารณาธรรมะด้วยพิจารณาธรรมะที่ตแตสรู้ด้วยเพราะยังไงพระพุทธเจ้าก็ต้องมีปัจจเวคขณะยานนะครับทบทวนทั้งหมดเลยเ<อ>พิจารณาแม้กระทั่ ง, งกิเลสทั้งหมดนะครับกิเลสทั้งหมดที่พระองค์ละได้มีเท่าไหร่พวกอเอามาพิจารณาหมดเนี่ยนะคุณธรรมที่มีนี่มีอะไรบ้างก็พิจารณาหมดนะครับอันพิจารณาเรียกว่าปัจเวคขณะยานปัจเวกก็ไข่ ค, ควรวนนั่นเองยานที่ไข้ควรวน ถึงกิเลสที่ละแล้วเนี่ยนะแล้วก็แต่ถ้าตอนเป็นพระโสดาบันก็พิจารณากิเลสที่ยังเหลือด้วยนะแต่ตอนเป็นพระอรหันต์ก็ไม่พิจารณากิเลสที่เหลือแต่พิจารณาก็กิเลสเหล่าใดที่ที่ละไปแล้วเพราะว่ากิเลสของพระอรหันต์ไม่มีเหลือแม้แต่นิดเดียวอันเพราะพระเป็นพระอรหันต์นั้นก็พิจารณาเรื่องกิเลสที่ละแล้วทั้งหมดเนี่ยนะเพราะกิเลสที่เหลือไม่มีแล้วพิจารณาคุณธรรมที่ได้นี่อะไรบ้าง พิจารณามรรคผลนิพพานที่ตัวเองได้แล้วก็พิจารณาถึงความรู้ความสามารถก็พิจารณาแล้วตอนหลังก็ยังที่เรียกว่าพิจารณาพราะธรรมเจ็ดคำพีด้วยนะครับก็ยังชื่อว่าพิจารณาธรรมอยู่ก็พิจารณาทั้งหมดนะีพอพิจารณาโดยเฉพาะคัมภีประธานก็ทําให้ที่เรียกว่ามีมีรัศมีด้วยนะครับส่วนหนึ่งก็พิจารณาส่วนที่สวัยวิมุตติสุขก็มีส่วนที่พิจารณาก็มีนะครับ ทีนี้พอเสวยวิมุตติสุขพิจารณาหมดแล้วจึงม า, าปรารภที่จะสอนโลกนะครับปรารภที่จะสอนโลกที่เกิดขึ้นในตอนหลังก่อนก็ดูข้อความในหลายๆแห่งนะครับดูในอุทานเป็นต้นเพราะฉนั้นพระองค์นี้ถึงฝั่งแห่งยญายธรรมว่าไงเถอะสิ่งใดที่พระองค์ไม่รู้ไม่มีทีนี้ผมมานึกอุปมาเอ๊ะจะอุปมาอย่างไงนะให้ให้นึกชัดดีนะว่า สิ่งที่พระองค์รู้เนี่ยนะมันรู้หมดอะแต่ว่าเราเนี่ยรู้หน่อยเดียวว่างั้นเถอะสัตว์ทั้งหลายรู้เท่าใดพระพุทธเจ้าก็รู้รู้เท่านั้นแหละว่างั้นเถอะไอ้ส่วนที่สัตว์รู้นะไอ้ส่วนที่สัตว์ไม่รู้พระองค์รู้เยอะแยะไม่ใช่พระองค์รู้เท่าสัตว์นะไอ้ส่วนที่สัตว์ไม่รู้พระองค์รู้เยอะแยะแต่ว่าสัตว์รู้เท่าไหร่พระองค์รู้หมดนะนะใครแม้กระทั่งยุงมันบินแล้วมันรับรู้อะไรนี่พระองค์ก็รู้หมดอะว่างั้นเถอะ ทีนี้ผมก็มา น, นึกเอ๊ะอย่างนี้มันจะอุปมาอย่างไงดีนะเอาอย่างงี้นะว่าดวงอาทิตย์เนี่ยที่ส่องแสงสว่างมาในให้สัตว์มองเห็นทั้งหมดเนี่ยนะถึงสัตว์ตาบอดดวงอาทิตย์ก็ส่องเห็นแต่สัตว์นั้นเห็นดวงอาทิตย์ไหมล่ะเราอาศัยแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์ก็จะเห็นแคบๆแต่ดวงอาทิตย์มันก็สาดส่องได้ไม่มีที่สิ้นสุดอยู่แล้วนะครับแสงสว่างเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้านี่มีปัญญาเหมือนดวงระวีเขา่ากกันเคยได้ยินนะ ทิศจะพันธุนาบั ง, งั้นพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระอาทิตย์อย่างนี้เป็นต้นฉะ น, นั้นพระองค์มีพระปัญญาเนี่ยนะครับเหมือนดวงอาทิตย์ในยามเที่ยงวันปรากฏทุกสิ่งทุกอย่างชัดเจนฉั น, นั้นเนี่ยนะแต่ถ้าหากว่าเป็นพระพระประเจกับพะพุทธเจ้าเนี่ยนะสองโลกได้ชัดเจนมองเห็นได้เท่ากับดวงจันทร์ถ้าพระอาการาสาวกก็เหมือนประทีปใหญ่ๆหญ่อสิติมหาสาวกก็เล็กลงมา ก, กว่านั้นตามสมควร นะถ้าหากว่าพระโสดาบันผ้าอารหันตุขาวิปัสสกก็รีปรีรเต็มที่นะแต่ถ้าหากว่าปุตุชนก็มืดสนิทเลยถามว่าทําไมจึงบอกว่ามืดสนิทอ่ะถามว่าเคยเห็นอริยสัจไหมละ่ะถ้าไม่เคยเห็นนั่นแหละก็เรียกว่าคนบอดละมั้นั่งโอ้นี่ทุกทุกขสมุทยัยทุกขนิโรธทุกขานิโรธคาขมีนิปฏิปทาอันนี้อุทานเนื่องจากได้ยินมาอแต่ก็ดีละที่มาคิดอย่างงี้นะก็เป็นสุตตะพุทธไป แต่กต็ก็ยังมืดอยู่นนะคือคําว่ามืดนี่แปลว่ายังไม่เคยเห็นอริยสัจอย่างนั้นเถอะเพราะฉะนั้นพระองค์ได้ถึงฝ่า ย, ยาฝั่งแห่งสิ่งเหล่านี้หมดนั้นเราบอดอย่าไปคิดว่าดวงอาทิตย์มืดเลยชั้นใดก็ดีสัตว์ทั้งหลายเมื่อถูกอวิชชากลุ่มรุมอยู่น่ะไม่เห็นอริยสัจจะทำไม่เห็นดีเห็นชั่วเห็นบุญเห็นบาปเห็นทำดำําเห็นทำขาวเห็นทำมีโทษไม่มีโทษ เนี่ถ้าเราไม่รู้อย่าไปคิดว่าคนอื่นเขาไม่รู้เลยเพราะว่าดวงอาทิตย์นี่สองได้กว้างขวางยิ่งนักเนี่ยนะเราเป็นนกกระจิบนกกระจอกอาจจะบินได้แคบแคบามีพญาอินทรีที่เ็าบินสูงแล้วมองไกลก็มีหรอกเน่นะอย่าไปเอาความต่ำต้อยของเราไปเทียบเลยอะไรกันน่ยนะอย่าเอานางลิงจุนไปเทียบกับนางงามจักรวาลเลยอย่าเอาแสงสว่างอันมืดมิดไปเทียบกับนี้เลยแต่ว่า เราได้นับถือท่านนี้ก็ดีแล้วครับเราได้นับถือท่านว่าเป็นสารณะนี่ก็เป็นบุญเป็นวาสนาเป็นเป็นสัมมาทิฏฐิที่ตั้งไว้ดีแล้วที่ตั้งไว้ชอบแล้วถึงเราไม่สามารถเป็นได้อย่างนั้นแต่เราก็ถึงท่านเหล่านั้นว่าพู้ทางธรรมังสังฆสารนังฆาชามิเป็นต้นนะครับอันนี้เป็นอัตตะสัมมาปิเนธิที่ควรมีเป็นอย่างยิ่งขอการถามตรนนี้นนึะฮะทั้งเรื่องเทวพุทธองค์ตรงึกชาติในอดีตหรือว่า สามารถรู้เหตุในอดีตแม้ของผู้อื่นด้วยใช่ไหมแล้วก็ส่วนอนาคตก็รู้ทีนี้พมมีตัวอย่างนะครับเรื่องอดีตเนี่ยคือไม่แปลกเพราะนผ่านมาแล้วจะรู้ได้แต่เรื่องอนาคตเนี่ยเพราะมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยหมดทุกอย่างที่พระองค์รู้ใช่ไหมอนาคตที่พระองค์รู้อ่าดูจากจักรวติสูตรนะครับที่พระองค์จะพูดถึงภาคสีอ่านจะเกิดขึ้นนะะพ อ, องค์ตรัสถึงโลกที่จะมีต่อไปข้างหน้า นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะแล้วที่ถ้าอ่านที่พระองค์ทรงพยากรณ์ว่านายสุมาณะมาลาการ น, นะจากไดบรรลุเป็นพระประเจ ก, กับพุทธเจ้าเป็นต้นน่นะที่พระองค์ทรงพยากรณ์คือที่จริงแล้วที่พระองค์ทรงพยากรณ์ในอนาคตตามความเข้าใจของผมเนี่ยคงมีมากแต่ไม่ได้เอามาสังายนาไว้นะครับอะไรก็ตามถ้าไม่ค่อยเกื้อ ก, กูลต่อการบรรลุมรรคผลนะครับ ท่านยจะไม่ไม่เอามาที่จริงไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสเท่านั้นหรอกครับในพระไตรปิฎกเนี่ยนะถามว่าทำไมผมจึงกล้าพูดอย่างนั้นคือข้อความบางอย่างที่ซ้ําก็ไม่เอามาและอีกอย่างหนึ่งนะอย่างผมอ่านในปาตลิคามนะฮะตอนที่พระองค์ตรัสไปอสด็จไปที่บ้านหมู่บ้านปาตลิคามที่พระองค์ไปตรัสถึงอานิสงส์ของศีลเนี่ยนะโทษของศีแลแวิบัติอานิสงส์ของศีลสมบัติเป็นต้นเนี่ย เสร็จ แ, แล้วท่านก็กล่าวว่าถ้อยความต่างๆที่พระองค์ทรงแสดงโดยมากเนี่ยนะไม่ได้ขึ้นสู่สังคีตนะครับเอามาจะเป็นสังคีตเฉพาะในส่วนตรงนี้ในนี้เป็นข้อความในอัตถกาานะครับแสดงว่าส่วนที่ไม่ได้ยกขึ้นสู่สังคีตก็มีถามว่าทำไมจึงไม่ยกมาเพราะว่าซ้ำๆกับเนื้อหาอื่นๆที่อื่นแล้ว หรือในบางแห่งก็บอกว่าพระองค์ทรงแสดงธรรมมีคาถาตลอดราตรีเป็นอันมากก็ไม่ได้บอกพระสูตรไหนใช่ไหมครับอย่างนะก็ไม่ได้บอกพระสูตรอะไรขอขัดตรงนี้อีกนิดหนึ่งคนระับเป็นไปนได้ไหมที่พระองค์พยากรณ์แล้วจะไม่เป็นไปตามนั้นเพราะเนื่องจากว่าอาจจะสร้างเหตุปัจจัยให้มันเบี่ยงเบียนจากที่พระองค์ตรงพยากรณ์ไว้ก็ได้เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับตรงนี้นะถ้าคนอื่นรู้อาจจะเปลี่ยนได้นีนะ ผู้อื่นรู้เนี่ยนะเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนเนี่ยมีสูงแต่สําหรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันถ้าอ่านข้อความในพุทธวงศ์นะจะพบว่าพระพุทธเจ้านี่มีพระดํารัตที่แน่นอนเหมือนผู้หญิงมีคันคลอดแน่อย่างนั้ น, นนะคนแบกของหนักไปถึงที่หวงแน่คนที่โยนของขึ้นใบอากาศเนี่ยตกแน่เนี่ยนะถ้าไม่มีอะไรถ้าธรรมดานะพูดแบบธรรมดานะอย่าไปนัยวิจิตเกินไปไปพิกแพงมากนะกันนะพูดแบบธรรมดาถ้าโยนของบนอากาศตกแน่ หรือว่าสัตว์เนี่ยนะเกิดแก่เจ็บตายนี่ธรรมดาพระสัมมวาจาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอย่างนั้นอันะเที่ยงแท้แน่นอนเราไม่ต้องไปคิดนี่หรอกครับแน่นอนพระองค์ตรัสยังไงอย่างนั้นถามว่าทําไมพระองค์จึงว่าอย่างนั้นเพราะพระองค์รู้แล้วว่าปัจจัยมันเป็นอย่างนี้จริงๆไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วปัจจัยที่จะทําให้เปลี่ยนไม่มีแล้วพระองค์จึงพยากรณ์นะไม่ใช่วิชาการนะครับไม่ใช่คาดไม่ใช่กะ แต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับชัดเจนเหมือนมะขามป้อมอยู่บนฝ่ามือ่องกันเนีะเพราะฉะนั้นอย่าได้สงสัยในส่วนนี้เลยนะครับน้อมจิตเชื่อเถอะเพาะนั้นนะแต่ถามว่าศรัทธาแบบนี้มีโทษไหมบอกว่าเออนี่มันคขายศรัทธาอย่างเดียวเชื่ออย่างเดียวนี่สัตหินรียจักเจริญได้เพราะอาศัยปัจจัยอะไรนั่นเอะ สัทธินรียจะเจริญได้พ่อะน้อมใจเชื่อในพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นการเจริญสัทธินีนะฮะดังนั้นถ้าคนที่ไม่มีสัทธินรียเลยนี่นะครับเยียวยายากนะเยียวยายากแต่ถ้าสัทธินรียมากเกินไปถ้าไม่ประกอบด้วยปัจจัยสี่ก็แย่เหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ชว่าโ h o ไม่เชื่อซะเลยแล้วก็เชื่อไปหมดไอ้คำว่าเชื่อไปหมดเนี่ยมันนึก คิดว่าเชื่อเฉยๆนะครับไม่รู้ว่าเชื่อจริงหรือเปล่าอันที่จริงเชื่อก็ควรตามความเป็นจริงด้วยแต่ในยะนี้ท่านแสดงไว้ว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแล้วพระองค์ทรงมีในยะเทศนาอันวิจิตสุขุมคัมภีรภาพต่อามานะพระองค์ทรงมีในยะเทศนานยะเทศนานี่แค่ไหนครับในยะเทศนาของพระองค์เท่าที่เราเห็นเนก็คือในพระไตรปิฎกทั้งหมดนั่นแหละในยะเทศนาของพระองค์สรุปแล้วมีกี่ใน วิจิตใช่ไหมครับคือไม่หลากวิจิตก็คือน่าจะใช้แทนคําว่าหลากหลายนั่นเองนะครับมีวิธีวิจิตหลากหลายมากเหมือนกับพ่อครัวผู้ฉลาดสามารถปรุงอาหารด้วิจิตพิสดารหลากหลายชั้นใดหรือว่าพระธรรมราชาเนี่ยนะถ้าใช้คำว่าพระรัมภาชาเนี่ยยักย้ายธรรมเทศนาตามอัธยาศัยของพระ อ, องค์อย่างหนึ่งและตามอัธยาศัยของเวเนยศัตดิ์และเพื่อความงดงามแห่งธรรมเทศนา ประดิษฐ์ประดอยยังไงก็ได้เพราะว่าเป็นราชาในเรื่องนี้และในราชาแห่งธรรมแต่พระองค์ก็เคารพธรรมนะฮมัจะว่าประดิษฐ์ประดอยเอามาเล่นไม่ใช่เพราะพระองค์เป็นผู้ที่เคารพธรรมบูชาธรรมเทิดทูนธรรมเนี่ยนะครับแล้วพระองค์นี้มีธรรมเป็นธงชัยนะครับมีธรรมะนําหน้าคล้ายๆกับพระเจ้าจากักรพรรดิเงี้ยอันแล้วพระธรรมของพระองค์เนี่ยนะครับสุขุมคําว่าสุขุมนี่นะครับสุขุมคัมภีรภาพ คำภีระนี่แปลว่าลึกซึ้งนะครับสุคมเนี่ยประกาศถึงโลกุตระธรรมคำภีรภาพเนี่ยเพราะว่าประกาศจริยานะจริยาเป็นต้นที่ลึกซึ้งประกาศขันธะอริยตนะเป็นต้นที่ลึกซึ้งนะครับปราศจากความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเนี่ยนะเรียกว่าตัดความเป็นไปแห่งสภาวะธรรมทั้งหลายแม้กระทั่งพระนิพพานด้วยอันคำภีรภาพ จริงๆนะครับเพราะว่าพระไตรปิฎกเนี่ยส่องเนื้อความถึงโลกุตรธรรมอันโลกุตรธรรมเ น, น, นี่สุดยอดแห่งความลึกซึ้งคัมภีรภาพนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่าผู้ที่จะย่างถึงอริยสัจก็เหมือนกับเอาเอื้อมมือไปหยิบพระวักพรมย่างเท้าย่างลงในอเวจีเขาว่างั้นนะนะอริยสัจเนี่ยลึกซึ้งขนาดนั้นสูงส่งขนาดนั้นเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยสามารถเอามาประกาศได้คิดดูว่าพระองค์นี้ มีปัญญาขนาดไหนวงั้นเลยพระองค์มี น, นมัยยะขนาดไหนเอามาปรบรกแต่ไม่ใช่ว่าโอ้โหมันลึกซึ้งงั้นก็อย่าไปเรียนมันเลยโอ้โหอะไรมันเอื้อมไม่มเหมือนพวกรพมอะไรแต่ให้รู้ว่าเออของดีของสูงเนี่ยจะต้องใช้ความเพียรความพยายามบากบั่นขนาดนั้นแต่ไม่ใช่ว่าโอ้โมันทําไม่ได้หรอกถ้าทําไม่ได้พระองค์จะไม่สอนเด็ดขาด เพราะว่าผู้ที่บรรลุมีอยู่แล้วเป็นตัวอย่างก็ตั้งเยอะแยะภาษาริบุตพระโมคัาลานาผ้ามาหากัสปะธรรมมาพิสมัยที่ได้เกิดขึ้นเมื่อพระองค์ทรงสดแสดงธรรมผู้ที่ปฏิบัติธรรมหลังหลังจากนั้นก็ตัดสรู้มาเยอะแย ะ, แยะไอ้ที่ไม่ตรัสรู้ก็เพราะไม่มีอินทรีนั่นแหละเนี่ยนะเพราะถ้าท้อก็แสดงว่าออืไม่มีอินรีย์จริงๆเนี่ยนะมไม่โดยเฉพาะไม่มีสัตว์ทินทรีย์เป็นต้นถ้าไม่มีสัตว์ทินรีย์เป็นต้นนะครับ เจริญกรุณาให้ตัวเองได้เลยว่าชีวิตฉันไม่ได้ดีแล้วเนาะฉันเป็นคนอาภัพจริงๆขนาดศรัทธายังไม่มีเลยไม่ต้องพูดถึงอย่างอื่นแล้วงั้นเถะสุดยอดของความอาภัพว่างั้นอาภัพแบบไม่ได้บรรลุมรรคผลนี่ก็นับว่าชั่วร้ายแล้วเนะอาภัพถึงขนาดไม่มีศรัทธาในพระัตนะตรายนีโอ้โหอันนี้สุดยอดของความอาภัพ ก็บอกว่าเกิดมาพ่อแม่ทิ้งกำพร้าอีกแล้วไปเกิดในประเทศที่ฝนไม่ตกเป็นต้นเองนะฮะโรคภัยเล่นงานในโโหันนี้สุดยอดอาภัพเลยว่างั้นนะน่าเห็นใจนะสัตว์ทั้งหลายเหมือนเราเลยเราเองก็ไม่ได้พ้นสภาพแบบนั้นสักอย่างอะ <S <S ต่อไปนะแล้วพระธรรมปาละบอกว่าขา้าพเจ้าขอวันธนาพระธรรมนั้นอันอุดมอุดมเนี่ยแปลว่าสูงสุดอุตมะเนี่ยนะมันขอนอบน้อมวันธนา กราบไหว้พระธรรมนั้นอันอุดมที่พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบูชาอะไรบ้างที่พระองค์ทรงบูชาสัตยธรรมสิบเนี่ยคือสิ่งที่พระองค์ทรงบูชาพระปริยติสัตยธรรมพระองค์ก็ทรงบูชามรรคสีผลสีพระองค์ก็ทรงบูชาโลกุตรธรรมพระองค์ก็ทรงบูชานะครับพระองค์ทรง บูชาภาพปริยัติธรรมยังไงถ้าพระองค์ได้ยินคนแสดงธรรมนะพระองค์จะยืนฟังอย่างนั้นด้วยความเคารพธรรมมากเนี่ยนะพระองค์นี้เป็นผู้เคารพธรรมนั้นแต่ว่าผู้ที่แสดงธรรมนั้นต้องประกาศโล ก, กุตระธรรมนะคำพูดนั้นต้องเป็นคำพูดที่เป็นไปเพื่อประกาศโล ก, กุตระธรรมนะไม่ได้ว่าขึ้นธรรมะแล้วเรียกว่าธรรมะหมดไม่ใช่นะ ใช่เป็นธรรมมาเหมือนกันแต่เป็นอากุสลาธรรมามาของ น, นั <c oughs> ้นฮะ <c oughs> เป็นธรรมมาเหมือนกันอะธรรมะเหมือนกันแต่ว่าธรรมะอันนี้บอกว่าธรรมะบางอย่างนะให้ผลเป็นทุกขนะ์เนื้อแต่ธรรมะในที่นี้เนี่ยหมายถึงธรรมะที่ทรงไว้ซึ่งผู้ปฏิบัติตามไม่ให้ตกไปสู่โลกที่ชั่วโดยที่สุดแม้พระปริยัติธรรมผู้ที่มีศรัทธานี่ก็ไม่ไปอบายนะครับถ้าด้วยศรัทธานั้นนําเกิดนะศรัทธาจะไม่พาไปอบายเด็ดขาด แต่เว้นว่าไปทำบาปอย่างยืนหนักๆอันนี้ช่วยไม่ได้จริงๆนะถ้าจิตเศร้ามองก่อนตายก็ช่วยไม่ไว้จริงๆเพราะฉะนั้นธรรมะที่พระองค์ทรงบูชานั้นทั้งพระปริยติสัต์ธรรมพร ะ, ระมัคสีผลสีและนิพพานแล้วก็อย่างที่พระท่านชอบแสดงเรื่องทานเรื่องศีลอะไรทำนองนี้ครับอย่างนี้ก็ไม่ไม่ชื่อว่าเป็นการ แสดงธรรมหรือครับเพราะว่าท่านไม่ตามอนุบุพีคาถาไหมครับอัอนุวัตตามไหมทานศีลคาถาทานศีลทานศีลลักษณะอะไรต่างๆนี้ครับอ๋อแต่ก็ในท้ายที่สุดก็ควรประกาศอริยสัจด้วยนะครับก็มันยากนะครับก็ไม่เข้าใจก็เลยไม่กล้าประกาศก็พูดเฉพาะเรื่องทานก็พออะไรต่างเนี้ยก็อย่างน้อยที่สุดก็น่าจะประกาศคุณของพระรัตนตรัยนะครัก็เชื่อว่าประกาศอริยศัจแล้นะ เพราะว่าพุทธคุณก็คือพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้อริยสัจพระธรรมก็คืออริยสัจพระสงฆ์ก็คือผู้ปฏิบัตริรู้แจ้งอริยสัจนะครับนั้นประกาศให้เขารู้คุณพระรัตนะตรายนี้ก็ชื่อว่าได้ดีแล้วนะครับเช่นให้ทานนั่งน้อมไปบอกว่าบูชาสงก็แล้วกั น, น, นคําว่าอริยสง์เนี่ยนะครับอมความถึงโลกุตรธรรมด้วยนั่นนะก็ให้ใ ห, ให้แตะแตะไว้บ้างให้แตะแตะคุณพระรัตนะตรายไว้ไหน่อก็ยังได้ จริงๆผมว่าถ้าถ้าสมมุติว่ายังไม่เข้าใจเรื่องอรยสัจนะผมก็ไม่น่าอธิบายนะผมมีเครื่อง อ, อย่างนั้นแต่ก็ชื่นชมในพุทธคุณไปนะว่าพระองค์สา ม, มารถทรงรู้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ไม่รู้ก็ไม่ควรพูดอันนี้ก็โบราณท่านว่าไม่รู้ก็อย่าชี้อันนี้ดีแล้วนะครับท่านแม้กระทั่งเรื่องการแสดงธรรมพระองค์ก็ทรงตรัสว่าเป็นการทําได้ยากนะครับการแสดงธรรมนี่ก็เป็นของที่ทําได้ยากเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําได้ยาก ก็เป็นอย่างนี้แหละครับให้รู้ว่าเอเราเนี่บุญน้อยจริงๆแต่พูดแล้วว่าบุญน้อยเนี่ยพูดให้ท้อถามว่าถูกไหมพูดให้ขวนขวายถ้ารู้ว่าน้อยแล้วท้อนี่ก็แสดงว่านหนักหนาทาหัสแล้วล่ะแสดงว่าพับจริงๆว่างั้นเถอะขอสิ่งที่ว่านี่จะได้เป็นผมแนละใช้ได้ละต่อไปว่า พระธรรมที่พระองค์ทรงบูชาเนี่ยนะเป็นธรรมะที่นำพาพระอริยสาวกทั้งหลายผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะให้พ้นไปจากโลกเนี่ยนะหมายว่าพระปริยติธรรมเนี่ยนะเราเคยได้ยินสวดมนตะ์และธรรมที่ชี้ส่วนแห่งโล ก, กุตระ น, น, นั้นนะธรรมคุณที่บทสวดว่า พระธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยต่างด้วยพระโลกุตระธรรมมีมรรคผลและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตระเหล่านั้นนะครับนะเพราะฉะนั้นออพร ะ, ะพระไตรปิฎกเนี่ยคือคําสอนที่ชี้แนวแห่งโลกุตระนั้นนะครับเพราันตัวธรรมะจริงๆได้แก่โลกุตระธรรมพระปริยัติธรรมคือคําสอนที่ชี้โลกุตระนั้นที่พระองค์ทรงบรรลุนะครับเพราะฉะนั้นพระ ธรรมะที่นำพาให้อริยาสาวกเนี่ยนะครับผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะพ้นไปจากโลกก็คือทั้งปริยติธรรมมรรคผลและนิพพานถามว่าทไมไม่กล่าวถึงคำว่าปฏิบัติปฏิบัติก็สุดแท้แต่ปริยัติถ้าปริยัติ ด, ดีปฏิบัติก็ดีถ้าปริยัติไม่ดีก็จักสมควรแก่ปริยัตินั้น น, น, นะครับคือปริยัติเป็นเรื่องของความรู้ใช่ไหมครับ ความรู้ในคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่รู้คุณแนละ้วถามว่าไอที่ปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติของใครก็เป็นเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาดูว่าเอ๊ะไปไปมามาก็สาระคมก็จะเสื่อมถ้าตรงนี้ก็น่าเห็นใจจริงๆสัตว์ทั้งหลายนะคำว่าศัตว์นี่คือผู้คล้องทั้งหลายแหละเนี่ยนะผู้คล้องในรูปทั้งหลายแหละผู้คล้องในเวทนาทั้งหลายแหลผู้คล้องในสัญญาในสังขารในวิญญาณทั้งหลายแหละเ น, น, น, น, นี่ยน่าสงสารทั้งนั้นเลย เมื่อกี้นี้ก็กล่าวถึงว่าพระธรรมปาละเนี่ยนอบน้อมพระธรรมคุณซึ่งหมายถึงทั้งพระปริยัติอริยมรรยพจน์และก็พระนิพพานนะครับที่ทำเป็นสิ่งที่ทําให้พ้นจากโลกได้นะทีนี้ต่อไปว่าข้าพเจ้าขอวันทาพระสงฆ์ผู้เป็นพระอริยะ น, น, นั้นนะคือหมายถึงพระอริยะที่เข้าถึงธรรมะที่ว่านั้นนะนะสถิตมั่นอยู่ในมรรยพจน์นั่นแนหะ คือผู้ที่ดํารงอยู่ในโสดาปฏิมักสกอาธาคามิมักอนาคามิมักและอรหัตตมักผู้ดํารงอยู่ในโสดาปฏิพนสกอาธาคามิมพนอนาคามิผลและอรหัตตพนนั่นน่ะสมบูรณ์แล้วด้วยศีลนะสมบูรณ์แล้วด้วยศีลาที่คุณคือด้วยคุณธรรมทั้งหลายมีศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญานนณนัสสนะต่างด้วยสามัญญผลสีอย่างเงี้ยนะครับสามัญญผลสี หมายว่าโสดาชกธาคานาคารหัตผลหรือว่าสมบูรณ์ด้วยวิชาสามปฏิสัมพิทาสี่อภินญาหกวิโมกข์แปดทั้งหลายและนะ้วเนี่ยผู้มีคุณธรรมทั้งหลายเหล่านี้นะสมบูรณ์ด้วยคุณทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระทั้งหลายเนี่ยนะนะผู้เป็นนาบุญอย่างยอดเยี่ยมนีนะผู้ประสงค์บุญทั้งหลายนะถ้าจะต้อนรับแขกนะไม่มีแขกใดที่จะดีกว่าผู้รู้แจ้งอริยสัจธรรมเหล่านี้อีกแล้ว ในบรรดาผู้ที่เราจะเอาของไปฝากนะท่านเหล่านี้คู่ควรแก่ของฝากที่สุดเนี่ยนะถ้าจะพูดถึงทักษิณายะบุคคลทาบุญให้เปรตเนี่ยนะท่านเหล่านี้คู่ควรแก่การทาบุญให้เปรตที่สุดเหมือนั้นเลยนะทักิณยะนี่หมายว่าทานที่บุคคลมีกรรมสกตาสถศรัทธาให้ได้นะครว่านั้นก็เรียกว่าทยธรรมงนน หรือว่าทักขินยบุคคลหมายว่าเป็นบุคคลที่ควรแก่การทักษินาวังนั้นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่อามนุษย์ทั้งหลายมีเปรตเป็นต้น น, นนะเป็นนาบุญอย่างยอดเยี่ยมไม่มีดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นก็ถ้าขอโนอบน้อมคนดีๆเหล่านี้ น, นะจากศึกษาเรื่องราวเหล่านี้นะเวลาเราจะหลับจะนอนหรือไปไหนก็ได้ให้นึกนอบน้อมพระตาณ์ไตรแบบนี้ได้บ่อยๆขณะนั้นก็ชื่อว่าเจริญพุท ธ, ธานุสติธรรมานุสติและสังขานุสติอันสติของชนเหล่าใดที่เป็นไปในคุณทั้งหลายเหล่านี้ทั้งกลางวันและหลังกลางคืนเป็นต้นเนี่ยนะชนเหล่านั้นเป็นภาษาวกของพระ อ, องค์นะครับเพราะฉะนั้น อย่างน้อยๆก็ให้มีจิตเนี่ยนะครับกายจะถึงจะห่างบ้างแต่ใจก็จะได้ห่างจากคุณของพระองค์เนี่ยนะถ้าเราพระอรหันต์มีอยู่บทหนึ่งว่ า, าคนดีทั้งหลายไม่ทอดทิ้งเนี่ยนะถ้าหากว่าเราดีจริงเราก็ไม่คิดจะทอดทิ้งพระองค์งนะถ้าเราดีถ้าเราไม่ดีจริงก็พระองค์เราก็ไม่เอา เน่ยต่อไปนะว่าและท่านกล่าวว่าด้วยเดชาอนุภาพคือว่าด้วยอนุภาพแห่งบุญนั้นหรือด้วยเดทแห่งบุญนั้นนะคือด้วยเดทแห่งจิตที่เป็นกุศลที่เกิดจากการนอบน้อมพระรัตนตรัยทั้งหมดนั้นนะไม่ได้ไปขออะไรพระพุทธเจ้านะแต่หมายถึงจิตที่เป็นบุญนะที่เกิดในการนอบน้อมพระรัตนตรัยนะนะั้นอ่ะดังที่ได้พันณนามานี้ขอข้าพเจ้าจงปลอดภัยจากอันตรายในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเถิดนะ อุสรจิตอันนี้ที่เกิดจากการนอบน้อมพระธนตาตรัยขอจงกําจัดภัยทั้งหลายออกไปให้หมดเหมนกันนะเนี่ยนะก็กล่าวถึงว่าที่นอบน้อมพระธนตาตรัยในเบื้องต้นแห่งการรจนาคัมภีร์เพื่อที่จะให้หมดอุปสรรคหมดปัญหาทั้งหลายแลยออกไปนะนนี้ก็กล่าวถึงในส่วนของการนอบน้อมพระธนตาตรัยพระธรรมพระธรรมสังคาหะเทระทั้งหลาย ผู้จำพรรษาอยู่ในบุรีมีปกติสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ได้รวบรวมพระสูทั้งหลายที่พระผู้สแสวงหาคุณธรรมอันยิ่งใหญ่ได้ทรงแสดงไว้แล้วนนโดยแยกเป็นนิบาตมีเอกนิบาตเป็นต้นอันสองแสดงถึงการละซึ่งกิเลสทั้งหลายมีโลภะเป็นต้นไว้อย่างวิเศษเข้าเป็นสายเดียวกันแล้วร้อยกรอง บทอักษรดังกล่าวมานี้โดยเรียกชื่อว่าอิติวุตตะทีนี้ท่านก็กล่าวถึงพระธรรมสังคฆะกะเทระคือกลุ่มพระมหากัสสปะเป็นประธานมีพระอานนุ์พระอนุรุทธะพระอรหันต์โดยมากที่เป็นอาศิติสาวกที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็พระอรหันต์ที่ได้ปฏิสัมพิธาที่แตกชันในพระปริยติสัตธรรมอีก ทั้งหมดห้า้อเนี่ยนะได้รวบรวมร้ อ, มรอยกรองนั่นน ะ, ะแล้วรวบรวมร้ อ, ร อ, มรอยกรองพระธรรมวินัยทีนี้ในพระในคุณธรรมของพระอรหันต์ทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะครับท่านทั้งนั้นอนะ่ะเป็นผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่นี่นะครับถามว่าคุณอันยิ่งใหญ่ในที่นี้หมายถึงท่านเป็นผู้สแสวงหาศีละคุณอันยิ่งใหญ่ศีลที่เกิดกับโล ก, กุตระนี่ใหญ่ไหมครับใหญ่ท่านเหล่านั้นสแสวงหาคุณอันนั้น สมาธิที่เกิดกับโลกุตระนี้ยิ่งใหญ่ท่านสแสวงหาสมาธิเหล่านั้นปัญญาที่เกิดร่วมกับโลกุตระนี่นะครับเป็นปัญญาที่ยิ่งใหญ่ท่านแสวงหาศีลสมาธิปัญญาวิมุตติยานทาุทัศนะที่ยิ่งใหญ่ทั้งหลายเหล่านั้นเรียกว่าผู้แสวงหาคุณอันใหญ่แม้ท่านจะหาได้เสร็จแล้วก็ยังได้โดยชื่อว่าท่านเหล่านั้นคือผู้สแสวงหาคุณอันใหญ่นะถึงจะได้แล้วก็ยังเรียกว่า ผู้สแสวงหาคุณเหมือนกับเรียกว่าผู้สแสวงบุญนะแม้แต่ทําบุญไปแล้วก็ยังเรียกว่าผู้สแสวงบุญอยู่ดีเหมือนนเน่ยเพราะฉะนั้นท่านเหล่านี้ก็เลยสแสวงหาโลกุตระคุณอันยิ่งใหญ่ก็ได้นะครับทั้งทั้งที่ท่านได้โลกุตระแล้วแต่ก็ได้ชื่อห้อยน ะ, ะในฐานะคนที่ทํางานนั่นนี่นะท่านเหล่านั้นเนี่ยนะครับได้รวบรวมพระสูตรที่พระผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ได้แสดงแล้ว คือกลุ่มพระอรหันต์ที่ทําสังขยนาก็สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่แต่ใหญ่ใหญ่ระดับท่านนะใหญ่แบบเอเตัะคะแบบพระอนุนใหญ่แบบเอตถะฆาแบบพระมหากระสปะใหญ่แบบเอตถคฆาแบบพระอนุรุธะก็นับว่าใหญ่โตแล้วแต่ท่านเหล่านั้นก็ยังรวบรวมคําสอนของผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกคือสแสวงหาสัมมาสัมโพธิญาณอันยิ่งใหญ่นะเพราะฉะนั้นสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยเป็นประธานแห่ง โพธิญาณทั้งหลายคือคําว่าโพธิญาณนี่เป็นชื่อของอริยมรรคสี่นะครับนะอริยมรรคสี่แต่ว่าสัมมาสัมโพธิญาณก็คือญาณที่รู้อริยมรรคสี่เนี่ยด้วยตัวเองว่างั้นเลยเรียกว่าสัมมาสัมโพธิญาณว่างั้นโดยชอบได้ด้วยพระองค์เองแล้วก็ยังสามารถสอนให้คนอื่นๆได้สัมโพธิญาณด้วยนะเพราะฉะนั้นผู้ที่บรรลุโสดาปติมมัคเป็นต้นก็เรียกว่าสัมโพธิญาณนะครับเป็นผู้ได้โพธิญาณ เรียกว่ายานโพธิ์นี่แปลว่าตรัสรู้ใช่ไหมครับยานที่เป็นเครื่องตรัสรูร้เรียกว่าโพธิยานได้แก่อริยมรรคท้งหลายนั่นเองหมายถึงปัญญาที่เกิดร่วมกับอริยมรรคทีนี้พระผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่นี่นะคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้แล้วทีนี้พระธรรมสังฆาคาจานี่นะมารวบรวมคำภีร์อิติวุตกะเป็นนิบาดนิบาดนี่แปลว่าตกไปใช่ไหมก็คือกลุ่มเรื่องทั้งหลายแหล่นั่นเองกลุ่มเรื่องอ มาแบ่งเป็นหมวดหนึ่งเป็นต้นเนี่ยนะครับเป็นเอกนิบาตหมวดหนึ่งหมวดสองหมวดสามหมวดสี่เนี่ยนะครับมีอยู่4ี่หมวดอันสองแสดงถึงการละกิเลธ ท, ทั้งหลายพรนะธรรมทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยเป็นคำสอนที่เป็นไปเพื่อละกิเลส น, นะครับมีโลภะเป็นต้นไว้อย่างวิเศษเข้าเป็นสายเดียวกันเนี่ยนะคือมารวบรวมเป็นหมวดหนึ่งหมวดสองเป็นแนวทางแห่งการละบาปละอกุศลลธรรมทั้งหลาย แล้วร้อยกรองบทอักษรเนี่ยนะเรียบเรียงพยัญชนะเหล่านี้ซึ่งพยัญชนะเหล่านี้นะผพ้ตะพดเป็นผู้ตรัดตรัสพยัญชนะเหล่านี้นะอันพยัญชนะเนี่ยเรียกว่าบาลีนะครับพยัญชนะเหล่านี้เรียกว่าบาลีผู้ที่มีปัญญารู้บาลีเรียกว่ารู้ธรรมปฏิสัมพิทาเนะถ้าเป็นพระอริยะทั้งหลายรู้คําสอนเหล่านี้เรียกธรรมปฏิสัมพิทารู้อัตถะแห่งพระบาลีอันนั้นเรียนธรรมปฏิสัมพิทาอันนี้อันนี้หมายถึงพระอริยเจ้านะ เพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าพุทธพจน์นี่ก็คืออักษรทั้งหลายนั่นเองนะครับที่มาเรียบเรียงแต่ว่าพุทธพจน์นี้มีสัพพัญยุตยานเป็นสมุติตตธรรมนะครับมีจิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นเหตุแห่งค่อยคําเหล่านี้เหมือนนเถ อ, อะพุทธพจน์คืออะไรคือพยัญชนะคืออักษรทั้งหลายคือเสียงนั่นเองเสียงคุงๆต่ำๆที่มาเรียกว่าคํานี้คําบทธรรมหรือก็คือสัทธานั่นเอง เสียงนะพุทธพจน์พุทธพจน์ก็คือวาจาวาจนะใช่ไหมวัพุทธพจน์ก็คือพุทธะบวกวจนะเลนะเขาเรียกว่าพุทธพจน์คําพูดของพระพุทธเจ้า 99, ก็คือเสียงนั่นเองที่เปล่งออกมาแต่เสียงเหล่านั้นเนี่ยนะไม่เหมือนเสียงคนทั่วๆไปทําไม่เหมือนไม่เหมือนตรงไห น, นหนึ่งจิตที่เป็นต้นเหตุแห่งเสียงเหล่านั้นนะจิตนั้นเป็นสัพพัญญุตยาน่ะเป็นจิตที่เป็นไปกับสัพพัญญุตยาน มีคุณธรรมที่ประเสริฐสูงสุดเนี่ยนะแล้วแสดงโดยที่มีมหากรุณาเป็นต้นเป็นอุปนิสัยให้แสดงออกไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ศาสทั้งหลายเนี่ยเพราะฉะนั้นคําสอนนั้นจึงไม่ไม่เหมือนคําพูดแบบทั่ว ท, วทวไปเนีย่ยนะเพาฉะนั้นบทอักษรร้อยกรองเนี่ยนะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงอย่างนี้ท่านพระธรรมสังฆหากาจารย์คือพระเถระที่ทำสังฆายนะท่านเรียกชื่อว่าอิติวุตกะ อันที่จริงนะท่านบอกถึงว่าเหตุความสําคัญนะว่าอันที่จริงเนี่ยนะการแต่งอัตกถาพันานาความตามลําดับบทที่มีอัฏฐอันลึกซึ้งในคุธทกานิการเนี่ยเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าทําได้ยากว่างั้นถ้าธรรมดานะท่านก็ออกตัวก่อนว่าถ้าธรรมดาแลว้วมันทํายากนะที่จะมาขยายทุกๆบททุกๆคําเนี่ยนะโดยถ้าธรรมดาโดยส่วนตัวเนี่ยทายากว่างั้นแต่ ท, ท่านออกตัวนะพระธรรมาปาละท่านว่างกันเพราะเป็นอัฏฐะที่ลึกซึ้งคือคำพีเนี่ยมีเนื้อความที่ลึกซึ้งพยันชนะเนี่ยนะก็ น, นับว่าลึกซึ้งแล้วนะพยันคือเนื่องจากพยันชนะามาจากพุทธพจน์อ่ะทีนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับพูดหนึ่งคำเนี่ยนะอย่างผ้าโนนเนี่ยอธิบายได้เป็นหกหมื่นคะท่านแทงตลอดเลยหกหมื 60, บทเนี่ยนะอันนี้เฉพาะผ้าโนนนะ แต่ถ้าภาษารีบทเนี่ยนะครับนัยยะไม่มีที่สิ้นสุดเนะมื่อได้ยินพุพทธพจน์เนี่ยเพราะฉะนั้นพยัญชนะบทบทนั้นอย่าไปคิดว่าคัดแคบอย่างนั้นเถอะเพราะฉะนั้นถ้าธรรมดาแล้วเนี่ยบทธรรมแต่ละบทที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีสแสดงเนี่ยมีอัฏ ฐ, ฐาลึกซึ้งเห่างนั้นเถอะลึกซึ้งไหมลึกซึ้งเขาฟังแล้วเขาบรรลุมรรคผลนะฝาเราฟังเฉยๆ เ, เนี่ยลึกขนาดไหนะยังไง เพราะฉะนั้นถ้าโดยวิสัยธรรมดาท่านบอกว่าท่านทําได้ยากนะนะก็คิดดูนะครับทํายากทําง่ายแล้วก็ไปดูอย่างในมหานิเทศดูนะถ้าภาษารีบุตรมหานิเทศนะคำธรรมดาเนี่ยท่านทําลึกซึ้งในหมดอ่ะของเรานะถ้าเจอบทนั้นอ่ะอย่างเช่นไม่ประมาทนี่คืออะไรแล้วก็เอ้ยอย่างงี้งงงไปก็หมดหมดไปงั้นนะนะแต่ของท่านท่านเลยทำมาที่จิตพิสดารโหนะครับ แต่เพราะเหตุเนี่ยนะแต่แต่ทำไมท่านจึงเรียบเรียงเอาเมื่อออกตัวแล้วทาไมจึงเรียบเรียงล่ะแต่เพราะที่อัตถกถาจะช่วย ท, ทรงศาสนาของพระศาสนาไว้ได้อั น, นเหตุผลอันดับแรกก่อนคือถ้าไม่มีอัตถกาถนาะความเข้าใจในศาสนาที่ยังลงในศีลสมาธิปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงอยู่ได้อย่างไรเนี่ยนะ อย่างพุทธพจน์เนี่ยนะอย่างในแต่ละสูตรเมื ania, island, is, Prophet, ่อกี้เนี่ยนะอย่างสูตรเมื่อกี้เนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาตรงไหนเป็นอะไรอะไรเนี่ยถ้าไม่มีอัตถกถาจะรู้ได้ยังไงว่าข้อความตรงไหนเป็นโลกิยะข้อความตรงไหนเป็นโลกุตระข้อความตรงไหนเป็นมรข้อความตรงไหนเป็นผลข้อความตรงไหนเป็นสมถะวิปัสนาจะรู้ได้ยังไงถ้าไม่มีอัตถกถาเพราะว่าอัตถกถานี่แหละที่จะทรงคําสอนเหล่านั้นเอาไว้ได้เนี่ยนะอันนี้เหตุผลที่สําคัญอย่างหนึ่ง แต่ว่าวินิจฉัยของบรรดาบุรพาจารย์ผู้เปรียบด้วยสีหราชก็ยังคงดำรงอยู่ด้ว ย, ยเหตุผลหนึ่งาศาสนาดำรงอยู่ได้เพราะอัตถกถาเหตุผลอีกอย่างหนึ่งก็คือในสมัยของท่านเนี่ยนะพระโบราณอาจารย์เนี่ยนะหรือพระตกรถาอ า, าจารย์ทั้งหลายอาจารย์แต่ก่อนเนี่ยผู้เหมือนดังราชสีเนี่ยนะก็ยังเหลืออยู่แนวของการอธิบายก็ยังเหลืออยู่ว่างั้นเถอะ อันนี้ถ้ า, าใช้คําว่าราชสีเมื่อไหร่นะครับถ้าอ่านเทรกถาแล้วก็พ้นเนี่ยนะมันคำว่าราชสีเนี่ยท่านอธิบายได้ในยมวิจิตแต่ได้ขาวว่าเรียนเทรกถาไปแล้วเนี่ยนะครับตอนอารัมภกถานะครับตอนนั้นอธิบายได้นะตรงนั้นนี้อธิบายได้ดีละเอียดลึกซึ้งมากนะครับเดี๋ยวผมไปนะอาจารย์อ่านกันแล้วกันทีนี้ต่อไปว่า ฉะนั้นข้าพเจ้าจักแต่งอัตกถาอิติวุตกะฉะนั้นนี่หมายความว่าเพราะเหตุผลสองประการหนึ่งศาสนาจะดำรงอยู่ได้ด้วยอัตกถาอย่างหนึ่งเพราะวิธีวินิจฉัยของโบราณอาจารย์ยังอยู่หนึ่งฉะนั้ น, อ, นนะอาศัยเหตุผลนั้นแหละข้าพเจ้าจักแสดงอัตกถาอิติวุตกะไว้ให้ดีตามกำลังท่านจะแสดงเฉพาะในส่วนตามความสามารถของท่านนะแต่ไม่ใช่ว่าคำสอนแล้วก็เท mm hmm. ่านี้นะ แต่ว่าท่านเอาเฉพาะในส่วนของความสามารถของท่านนะก็เหมือนว่าที่ผมอธิบายนี่มันจะว่าโอ้โหผมอธิบายได้หมดจดแล้วนะยังนะครับผมก็อธิบายเท่าที่ความสามารถมีเท่านั้นเองไม่ใช่ว่าโอ้โหจะหมดจดเพราะคาอธิบายผมไม่ใช่นะครับเพราะว่าธรรมะนั้นมีกว้างใหญ่ไพศาลอยู่แล้ว นะอย่างอย่างผมชี้ว่านั่นทะเลผมก็จะชี้ได้เฉพาะที่ตาผมมองเห็นเท่านั้นแต่ทะเลจริงๆแล้วหาได้คับแคบเท่าที่ผมมองเห็นเท่านั้นไม่อย่างนั้นนะท้องฟ้าก็จะชี้ได้เฉพาะส่วนที่มองเห็นแต่ที่กว้างใหญ่ที่มองไม่เห็นเนี่ก็ชี้ไม่ได้นั่นะนะอ่าผมอ่านหนังสือบางเล่มอธิบายว่าดาวแต่ละดวงคือดวงอาทิตย์ของอีกจกกักรวาลหนึ่งนะครับดาวที่มองเห็นนะใหญ่ๆนะคือดวงอาทิตย์ของอีกหละยๆจกกักรวาล เละเคยพบบางคำพีท่านอธิบายว่าจักรวาล น, นี้ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับอย่าไปคิดเลยว่าจักรวาลในทิศ ต, ตะวันออกนี่มีอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่เฉพาะในทิศเดียวนะไม่มีสิ้นสุดนะครับไม่มีจบเลยขอโอกาครับคาว่าโบราณอาจารย์เนี่อเอาแค่ไหนครับเดียวกับโบราณอาจารย์ก็พระธรรมปาละเนี่ยนะครับก็ถือว่าสมัยไหนครับสมัย พศออช่วงพันๆ น, นะครับพศออประมาณเก้าร้ยถึงพันอะไรทำนี้นะครับถ้าก่อนท่านอีกอะจะเท่าไหร่ก็เรียกโบราณอาจารย์หมดนะแม้แต่พระมหินทเถระพระมหกากระสปะก็เรียกโบราณอาจารย์หมดโบราณอาจารย์ของท่านนะนะครับครับก็คือถ้าแล้วแต่สายไหนพูดนะครับ พระพระพุทธโคสาาจารย์เป็นต้นพูดก็แสดงว่าเก่ากับท่านอีกกับเป็นพระอรหันต์รุ่นก่อนๆนะครับโดยทีนี้วิธีแต่งท่านบอกว่าจะยึดวินิจฉัยของบรรดาบุรพาจารย์นั้นเป็นหลักในการเรียบเรียงเรื่องนะว่าบทแต่ละบทแต่ละบทเนี่ยบุรพาจารย์สมัยก่อนเนี่ยท่านเรียงว่ายังไงถือนิกายห้าเป็นเกณฑ์ ว่าที่ที่อธิบายเนี่ยต้องไม่ขัดกับพระไตรปิฎกทั้งห้านิกายสูตรอื่นๆเล่มอื่นๆทั้งหมดเลยนะในการเรียบเรียงอัตถกาถาเนี่ยต้องไม่ขัดกับพระไตรปิฎกทั้งหมดด้วย <Okay. S 1> อิงอาศัยนิยะจากอัตถกถาเก่าเนี่ยนะตามแนวเก่าแม้จะเป็นเพียงคําบอกกล่าวของนิสิตคือนิสิตของอาจารย์เก่าๆเนี่ยนะแต่แต่ก็บริสุทธิ์เนี่ยนะไม่คลาดเคลื่อน เป็นการวินิจฉัยอัตทะที่ละเอียดของบรรดาบุรภาจารย์คณะมหาวิหารแล้วเว้นความที่ซ้ำๆกันเสียนะคือตรงไหนสูตรไหนถ้าเคยอธิบายไว้สูตรก่อนก่อนก็ไปดูของก่อนแล้วนะเพราะถ้าอธิบายทุกคําก็ไม่ต้องจบกันแล้วนะครับถ้าเอาขยายแบบสูตรที่หนึ่งหมดนะครับคัมภีร์นี้คงจะหนาเตอะกันนี้เยอะแต่อะไรที่อธิบายแบบสูตรที่หนึ่งไว้แล้วนะสูตรที่ห้าที่สิบที่ เจ็ดปสิบเป็นต้นก็ไปดูสูตรที่หนึ่งเอากันแล้วกันเหมือนกันเถอะแนวเดียวกันเพ่าทาร์ที่บายบทเดียวกันทุกคําทุกคำเนี่ยนะใช้คําว่าเอตังหิเป็นต้นเนี่ยนะเอตังภควาหิเป็นต้นนะถ้าขยายอย่างนี้ทุกบทก็หมาต้องจบกันแล้วครับคำเพีย้ยนะเพราะฉะนั้นอะไรที่เคยขยายแล้วก็ย้อนกลับไปดูที่ขยายแล้วกว็แล้วกันนะจะขยายตามลําดับคำนะคำอะไรที่เคยขยายแล้วก็จะไม่ขยายต่อไปอันนะันมีอัตเตอร์ทั้งนั้นคือหมายว่าเคยขยายมาหมดแล้ว เนี่นะถ้าไม่ได้หลับตอนอ่านซะก่อนหรือไม่ใจลอยกอน็น่าจะพอได้มั้งเหมือนั้นนะแล้ท่านก็บอกว่าไอ้ตรงไหนที่มันซ้ําๆเคยขยายแล้วก็เอาไว้ก่อนเห่างนันฮะแต่ถ้าเป็นพระพระคุตโคสาจารย์ในขณะที่ท่านเรียบเรียงอัตถะมโนระฐปุรณีอัตถาอังคุตรนิกายท่านก็บอกว่าเว้นข้อความตรงไหนถ้าไม่ยกเรื่องราวสาวอุทาหรเนื้อความไม่ชัดเนี่ยนะท่านจะยกมาให้ซ้ํา ถึงซ้ําท่านก็าจะแสดงนะแต่ถ้าคือถ้าไม่ยกขึ้นมาเลยตรงนั้นจะไม่ชัดเลยนะท่าะะ น, นสังเกตดูนะอังคุตระนิการเนี่ยจะไม่ค่อยขยายอัตถกาานเทียบกับนิกายอื่นเนี่น้อยมากนะครับในส่วนนี้เป็นธรรมะถามว่าทําไมเขาบอกว่าท่านบอกว่ากลับไปดูอัตถกาาทีคนิกายกับมัชชิมนิกายเอากันแล้วกันเคยขยายไว้ที่นั่นแล้วนะถ้ามาขยายตามนั้นหมดก็ไม่ต้องแล้วครับนี่แค่เฉพาะฉบับภาษาบาลีเล่มนั้นนะอาจารย์ มีห้าสิบหกสิบเล่มน่ะขยายหมดนี่ก็ไม่รู้กี่พันเล่มนะครับเป็นคันรถเลยนะครับอย่นี้ก็แบกไอ้คัมภีร์ก็ยังแบกไม่หมดไม่วดัดไม่ไว้นะครับความรู้นี่นะครับแต่ผมว่าได้บุญได้มีโอกาสได้เรียนได้ศึกษานี่ก็เป็นบุญแล้วนะครับราะนั้นดีกว่าโหยสมัยก่อนไปอ่านอะไรก็ไม่รู้นะครับหนังสือหนังสือของคนมีกิเลสเขียนซะส่วนใหญ่นะครับ อ่านแล้วก็โลภะก็เกิดอ่านแล้วโทสะก็เกิดอ่านแล้วก็โมหะหนักกว่าเดิมอีกนะครับปกติก็เคลาอยู่แล้วยิ่งเรียนยิ่งอ่านก็เคลาหนักขึ้นหนักขึ้นถ้าอ่านอย่างนี้ยังพอรู้บุญรู้บาปรู้ดีรู้ชั่วบ้างเนี่ก็โอ้ดีแล้วนะครับแต่รู้บุ ญ, ญจริงๆมันบุญก็พอรู้นะครับถ้ารู้บุ ญ, ญจริงๆนู่นแหลอะอรหัตตมรรคก็ยังเรียกว่าบุญนะครับแต่ก็พอรู้อันนี้รู้เพราะว่าเออไม่ไปทําอะไรมีทุกข์มีโทษเป็นบาปเป็นกรรมเนี่ยนะครับก็เอาล่ะ เพราะฉะนั้นท่านก็เลยบอกว่าสาธุชนทั้งหลายขอท่านทั้งหลายได้โปรดตั้งใจสดับการพัฒน า, นาความแห่งอัตกถกิติวุตกานั้นของข้าพเจ้าผู้หวังให้พระศารรมดำรงมั่นอยู่ได้นานจะได้จําแนกต่อไปที่ท่านเรียบเรียงนี่นะหวังความตั้งมั่นแห่งพระัศธรรมคือหวังความตั้งมั่นแห่งสัตรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คื อ, อความหมายอย่างนี้ว่าดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับถึงจะลับไปจากโลกแล้วนะแต่ในระหว่างที่ดวงอาทิตย์เนี่ยนะสอดเเรียกว่าส่องแสงสว่างอยู่เนี่ยนะก็มีคนพยายามจะเก็บเชื้อเพลิงอันนี้เอาไว้เนี่ยนะครับที่จะให้ความสว่างอันนี้ยาวที่สุดเท่า ท, ที่จะยาวได้ค่อยๆสืบทอดนะ น, นะ พยายามทํหม้อแปลงแบตเตอรี่อะไรที่จะบรรจุไฟพลังงานแสงอาทิตินี่ว่าแล้วให้มันสว่างยาวๆหน่อยถ้ามันมืดแล้วมันจะเดินชนเดินตกเขาตกเหวโอ้ยสารพัดตกลุมตกบอ่อตกน้ำตกอะไรเนี่ยนะยังไงก็ให้แสงสว่างเนี่ยมันได้ยาวหน่อยเหรอว่างั้นเอะถามว่าเพื่อใคร เพื่อสัตว์ทั้งหลายผู้อยู่ในโลกแห่งความมืดเหล่านั้นเหล่านั้นนั่นเองนะครับนี่ทํายังไงจะได้ยาวว่างั้นถ้ายาวเท่าไหร่ก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เป็นไปเพื่อความสุขแก่สัตว์ทั้งหลายเท่านั้นพราท่านทั้งหลายเหล่านั้นพ้นจากทุกข์แล้วครับเห็นไหมถามว่าผู้ศาสนาอยู่ในโลกเนี่เพื่อใครเพื่อพระพุทธเจ้าใช่ไมไ ม, มาเพราะพระองค์นี้สบายไปแล้วว่างั้นเถอะพระองค์นี้สุขโตแล้วไปดีแล้วนะครับ ไปตามมาริยมรรคแล้วไปสู่อมตะมหานิพพานพน้นจากขันหมดแล้วนะพระองค์นี้อไม่ไปตามอำนาจกิเลสบาปอากุศลแต่ละอย่างเป็นต้นแล้วนะครับแต่เรานี่มันยังทุกขโตอยู่ว่า ง, งั้นไปไม่ค่อยดีเขาไม่ค่อยเรียกทุกขโตหรอกครับเขาเรียกอคติ <c oughs> อักติก็คล้ายๆกับอุกขโตนั่นแหละไปไม่ค่อยดีนะครับไปคือความชั่วทางกายความชั่วทางวาจาความชั่วทางใจนะ่นมันคดอ่ะนะมันคดแปล ว, ว่ามันไม่ค่อยตรงอ่ะนะ เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผู้ที่ได้รับได้ยินได้ฟังศึกษาเรียนรู้พระธรรมคำสอนเหล่านี้ก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เป็นไปเพื่อความสุขอย่างมหาศาลว่างั้นเพราะฉะนั้นให้ตั้งใจสะดับนะถ้าบางแห่งท่านบอกเลยนะว่าเพราะการสดับเป็นเป็นเบื้องต้นของการเข้าถึงาศาสนานะครับถ้าถ้าผู้ที่ศึกษาปฏิสัมพิธา ม, มากแล้วจะรู้ว่ า, าการฟังเนี่ยนะครับเป็นเบื้องต้นของทั้งหมดจริง พระพุเจ้าเนี่ยนะครับอุบัติเกิดขึ้นมาในโลกก็เพื่อแสดงธรรมทีนี้ถ้าพระองค์แสดงแล้วเราหูเสียอย่างเงี้ยมันจะมีประโยชน์อะไรนะครับแต่เทียบนะคือประโยชน์สําหรับเรานะแต่สําหรับคนอื่นอาจจะมีชั้นใดก็ดีเนี่ยนะคนบอกทางแต่ว่าเขาบอกเป็นเสียงเนี่ยนะครับถ้าเราหูหนวกเนี่ยนะก็ไม่รู้จะคุยกันรู้เรื่องไนดะ้ยังไงเพราะฉะนั้นการฟังเนี่ยจึงเป็นเบื้องต้นแห่งการรู้ทางคำว่าทางในทีนี้หมายถึงอะไยมากนะ เพรการฟังเนี่ยจึงเป็นเบื้องต้นศาสนาเนี่ยเกิดขึ้นได้อาศัยการฟังเพราะฉะนนั้ผู้ที่บรรลุธรรมเขจึงเรียกว่าภาษาวกอริยาสาวกนีผู้เกิดในที่สุดแห่งการฟังนะครับผู้เกิดในที่สุดแห่งการฟังเพราะผู้ฟังนั้นถ้าหากว่าฟังแล้วสามารถทรงจําไว้ได้นะครับตามหลักปฏิสัมพิทาทั้งหลายาผมเอาอภินญ า, ายนิเทศมาถวายด้วยนะครับที่เห็นในเล่มนั้นนั่นนะ ก็ดูนะถ้าดูตามนั้นแล้วก็ทรงจําได้ก็สบายแล้วนะครับ <S <S ว่าหลักอภินญญานิเทศนี่เป็นไปตามนั้นการศึกษาเรียนรู้ต้องเป็นไปตามนั้นจริงๆไม่มีวิธีอื่นนะครับแม้แต่ภาษาลิบร ท, ที่จะเรียบเรียงคำภี์ท่านยังเรียบเรียงขึ้นต้นด้วยสุตตะแต่คําว่าฟังในที่นี้ไม่ใช่ผ่านหูแน่นอนนะครับท่านบอกว่าโสตาวัฏานนปัญญาสุตตามยญานั่งเหมือนกันปัญญาในการทรงจําธรรมที่ได้ฟังมาแล้วชื่อว่าสุตตามยียญาน ปัญญาที่เกิดจากการทรงจํำทำนะครับมานจะว่าปัญญาลอยๆนะทรงไว้ได้แล้วมีปัญญาเข้าใจรู้เรื่องนั้นเป็นอย่างเดียนะนั่นแะหละว่าชื่อวสุตตะมยายาญาณนะครับแล้วก็ทีนี้ทรงจําอะไรบ้างอะครับเรียกว่าปัญญาที่ทรงจํำทำรรที่ได้ฟังมาแล้วอนะ่ะทรงจํำทำรรที่ได้ฟังมาแล้ววนะ่าธรรมะเหล่านี้อภินญยญ า, ยาควรรู้ยิ่งนะโอ้นี่กลุ่มธรรมะกลุ่มนี้ควรรู้ยิ่งนะธรรมหนึ่งควรรู้ยิ่ง เจนอะทำสองทำสามทำสี่ห้าหกเจ็ดปดเ้าควรรู้ยิ่งเป็นต้นนะครับเออธรรมะเหล่านี้ควรกําหนด ร, รู้นะเรียกว่าปริญญยยาธรรมะเหล่านี้เรียกว่าควรกําหนดรู้นะควรรอบรู้นะปริญเยยาธรรมปริญเยญาธรรมมาแบ่งเป็นธรรมหนึ่งสองสามี่ห้าหกเป็นต้นไปอีกนะครับเออธรรมะเหล่านี้เป็นปหาแตประธรรมนะเป็นธรรมที่ควรละนะต้องละนะอันนี้เป็นปะหาแตรประธรรมมาปะหาแตประธรมก็แบ่งหนึ่งสามี่ห้ป9เกอีกเหมือนกันแล้วก็เออธรรมะเหล่านี้ควรเจริญนะเรียกว่า เออขอไปธรรมะเหล่านี้ควรทําให้แจ้งนะเรียกว่าสัจฉิการตประธรรมต้องทําให้แจ้งนะธรรมะเหล่านี้ควรเจริญเรียกว่าพาเวตปธรรมอันนะปัญยานี้ปัญญาในการทรงจําแล้วแยกแยะได้วันนี้ควรรู้ยิ่งนี้ควรกําหนดรู้นี้ควรละนี้ควรเจริญนี้ควรทําให้แจ้งอันนี้แหละชื่อว่าสุตรรมยายนอันน่ะอันนี้ห้าข้อแรกเหมือนกนยังมีอีกนะครับยังมีบอกว่าปัญญาที่ทรงจำธรรมที่ได้ฟังมาแลว้วว่าธรรมะเหล่านี้เนี่ยนะ เป็นไปในส่วนแห่งความเสื่อมเป็นไปในส่วนแห่งความตั้งอยู่เป็นไปในส่วนแห่งการวิเศษขึ้นเป็นไปในส่วนแห่งการชำรํำระกิเลสเขาเรียกว่าภาคยะสหาณภาคยะทิติภาคยะวิเศษสภาวคยาแล้วก็นิเพเทธาภาคิายาก็ ย, ยังมาจําแนกอีกแล้วํายังจาแนกว่าสัพเพสังขาราอานิจจาสังขารไม่เที่ยงนะครับยังมีรายละเอียดลงไปอีกสัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งปวงเป็นทุกนะครับสัพเพธรรมานาตาธรรมทั้งปวงเป็นอนาตตาก็ยังขอบเขตอีกนะ แล้วก็นี้อีทังทุกขาริยาสัจจังนะปัญญาที่ทรงจำธรรมที่ได้ฟังมาแล้ววันนี้ทุกขาริยาสัจนี้ทุกขสมุทัยอริยาสัจนี้ทุกขานิโรธอริยาสัจแล้วก็นี้ทุกขานิโรธคามินิปฏิปทาอริยาสัจนะครับปัญญาที่เกิดในการทรงจําทั้งหมดอย่างที่ว่าไปาเรียกว่าสุตตะมายญาณ น, นะครับรายละเอียดก็นี่มอนศึกษาเอานะครับเล่มหกสิบแดเองนะครับนะครับก็น่าสนใจน่าเรียนรู้มากนะครับถ้าหากว่าไม่ได้ยินได้ฟังแล้วก็ มีหูแต่ว่าไม่ได้ฟังสัจธรรมก็พอกับหูหนวกมีตาไม่ได้ศึกษาไม่ได้อ่านพระไตรวิดกก็พอกับตาบอดนะครับมีเป็นมนุษย์ก็เป็นปศุสัตว์แต่ว่าเป็นมนุษย์นี่ก็มมันก็ไม่รู้ใครจะโกวดน้ําไปให้นะครับมันก็ลําบากเหมือนกันเ อ, อก็น่าจะสมควรกับเวลานะครับอันนี้